เ, เมื่อสัขขกครู่พู้กผถึงในเรื่องของทางาจากขุทวารเป็นต้นเนะาะทั้งจากขุทวานเนี่ยทั้งจากขุทวานที่บอกว่าสายตาและลูกเกิดจากปุญญาการประชุมของทำสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยที่เกิดเวทนาใช่ไหมฉะนั้นทั้งสุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้และทุกขมาสุขเวทนาก็ได้เป็นต้นเมื่อสักครู่ก็ไปเชื่อมในภัยยะสตรคือมา มาเชื่อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจการศึกษาคําสอนเนี่ยไม่ใช่เดินสูตรเดียวถ้าเดินสูตรเดียวนั้นน่ะความเข้าใจของเราไม่พอไม่พอแน่นอนเพราะท่านแสดงแต่ละที่แต่ละที่ไว้เนะี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าจะศึกษาพระตรปิดกยังไงเนี่ยเหมือนในสติปัฏฐานสูตรท่านก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมด แต่คนที่จะมาเดินสติปัฏฐานหรือจะมาปฏิบัติตามใ น, ในยถาของสติปัฏฐานแต่ว่าท่านเหล่านั้นผ่านว่าทำํำคำสอนพระพุทธเจ้ามาค่อนข้างกว้า ง, า ง, า ง, า ง, างแล้วต้องมาเชื่อมมาเลี้ยงร้อยกองเรียบเรียงร้อยกองต่อยอดให้ได้ท่านอย่างนั้นอ่ะการเดินในการปฏิบัติจะไปไม่ได้ก็จะหกขมนตีรังกากันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไปมันต่อเชื่อมไม่ติดเพราะท่านสอนคนต่างประเภทต่างลักษณะต่างสถานที่ แต่อย่างเราท่านทั้งหลายเราต้องรู้ประมาณตัวเองชัดให้ถูกว่าอุคติตันยูหมดไปแล้ววิเชียปรปฏิตันยูหมดไปแล้วนี่นะก็เหลือแต่ในยากระปัะธรมะ <c oughs> ซึ่งจะต้องเป็นการฟังค่อนข้างอย่างหลายรอบมากหลายเที่ยวมากถึงไม่ไม่ได้บรรลุไม่เป็นไแต่เขาเรียก็เป็นวาสนาภารกะที่จะเป็นปัจจัยสืบต่อไปในภายภาคข้างหน้าตรงนี้ก็ชัด นั้นต้องวางเป้าหมายไว้ให้ชัดวิธีทางเดินของเราเนี่ยว่าเราจะเดินยังไงในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้าก็สนทนากันก็พูดเรื่องว่าเอออัคคณะทั้งแปดในอัคคณะทั้งแปดเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราเนี่ยในปัจจุบันนภพนี่เราพ้นเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ เ, เป็ น, นารานเราไม่ได้เกิดเป็นเปรตนี่เราก็น่าชื่นใจแล้ว เราไม่ได้เกิดอยู่ในเป็นคนป่าคนดอยคนงูเสสะอะไรใช่ไหมอันนี้ก็น่าชื่นใจเราไม่ได้เกิดอยู่ในปัจจันตชนบทปัจจันตประเทศดังที่ได้กล่าวนั่นแหละและก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นพวกมิจฉาทิชีเป็นต้นไม่ได้เกิดอยู่ใะรูปกระพงไม่ได้เกิดอยู่ในสัญญาสัตพุธเป็นต้นใช่ไหม ทีนี้เรามาเกิดอยู่เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็อยู่ในแวดล้อมของพระพุทธศาสนากําลังแผ่มาถึงด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อนาคยุกมาบ่อยเพราะต้องการเตือนสตินั่นแหละที่บอกว่าทำวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแสดงแล้วเนี่ยทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่ง เ, เราก็แปลว่าตอนเนี้พระศาสดาปัจจุบันนี้านไปก็จริงแต่พระธรรมแปดหื่นสี่พันพระธรรมฐานยังทํากิจพระศาสดาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก สัตว์ที่ตาบอดสัตว์ที่เป็นใบใช่ไหมเออสัตว์ที่หูหนวกเท่านั้นไม่ได้ยินาว่าตาบอดหูหนวกไม่เป็นใบเลยว่าธรรมวินัยก็คือคนเป็นวิจฉาทิฏฐิส่วนสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นอมีอัธยาศัยในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นั้นเขาน้อมในการที่จะฟังประธรรมอย่างเราก็ได้ขณะที่ก้าแล้ว แล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมก็เปิดเผยแล้วพระสงค์ท่านจะทํากิจแทนพระบรมศาสดาใช่ไหมรับพระธรรมมาเทศนามาเป็นต้นโดยสรุปก็ตอนนี้พระพุทธเจ้ายังทํากิจห้าประการของท่านอยู่ปุพพันเหตรปินตาตันจ่าสาญาณเตรธรรมเทศนางเป็นต้นเนี่ยถ้าเราตาดีเราก็เห็นเพราใจ่ใช่ไหมเราจะเห็นว่าพระบรมศาสดาทํากิจของท่านอยู่ในการประกาศพระธรรมของพระองค์นั้นยังดังอยู่ อยู่ในพัตรไตรปิฎกอัตถาหรือดีกาเป็นต้นท่านที่ร้อยเรียงเรียบเรียงร้อยกองให้เป็นเหมาะแก่อภิยาสายของเรายัางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ขอให้เราศึกษาภาษาธทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดแล้วการเดินจะได้มั่นใจมันจะได้มีหลังเละเขายังไงไม่มใช่ชัดเดียนทีนี้ฉะนั้นเมื่อเราศึกษาคําสอนในลักษณะอย่างเนี้นยที่ท่านกล่าวไว้ออว่า แยกทำไมต้องเชื่อมโยงอ่ะถ้าไม่เชื่อมโยงยากมากที่จะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นว่าเวทนาอย่างเดียวเนี่ยถ้ากล่าวถึงบอกว่าสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าสวยทุกเวทนาสวยอทุกคมสุขเวทนา na, ก็รู้ชัดว่าเราสวยอทุกคำมสุขเวทนาอยู่ใช่ไหมทีนี้ท่านก็อุปาม า, าบอกว่าเด็กทารกที่นอนแบเบาะนั่นดูดนมแม่รู้ชัดแต่การรู้ชัดอย่างนั้นอ่ะ ไม่สามารถละไรสัตตูประชธิคือไม่สามารถจะละสัตตูปรัชิถอนสัตตัดสัญญาได้ถอนสัตวบุคคลออกในอัตมุลสันดานไม่ได้ไม่สามารถถอนได้เลยเพราะเรารู้สุกรู้ทุ ก, กันทั้งนั้นเหมือนบอกฉันตแล้วนะบาปวุ่นันรู้อะแต่รู้แค่นั้นมันไม่ใช่ คำว่ากรรมสกตาสมาธิที่รู้บุญรู้บาปนั้นนี่ยมันต้องรู้ด้วยว่ากายกรรมวิจิกรรมแบบไหนเป็นบุญกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมแบบไหนเป็นบาปเนี่ยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่กําลังเคลื่อนไหวแต่ละครั้งคําพูดที่พูดไปแต่ละคําพูดความคิดที่คิดไปต่อแต่ละทุกอนุความคิดมันเป็นกรรมหมดนะแต่มันจะผลักดันไปฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปเท่านั้นและสิ่งเหล่านั้นมีผลรองรับเบ็ดเสร็จ ในผลเหล่านั้นเป็นทั้งผลที่ให้ในปัจจุบันในภพใช่ไหมเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมด้วยแล้วก็เป็นทั้งอุปัช้าเวทนียกรรมที่จะให้ผลในภพถัดไปด้วยแล้วก็เป็นอัปราปราเวทนียกรรมที่จะให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิาพานด้วยใช่ไหมใช่อันนั้นคือผลของการเคลื่อนไหวไกายกรรมปฏิกรรมเรืองดวงนทรถามเพื่อเรารู้ตรงนี้ไหมล่ะถ้าสัตว์โลกรู้ตรงเนี้ยสุจริตสามจะเดินไ ด, ดน้สะดวกกว่านี้ใช่ไม่ใช่ นิสสจิตสามเดินไม่สะดวกเพราะอินทรีย์สังวรไม่ค่อยดีอินทรียสังวรไม่ดีเพราะปฏิโมกสังวรศีลไม่ดีถึงต้นปฏิโมกสังวรศีลเพราะเราฟังธรรมาไม่ดีไม่ใช่ธรรมะไม่ดีนั้นเราฟังมาไม่ดีขาดโยนิโสมนัสิการในการฟังเหตุผลในการขาดโยนิโสมนัสิการในการฟังเพราะเราตั้งสัพพินสีไว้ไม่ชัดไม่มีตถาคตฐานโพธิสัตถาใช่ไหมวิธีคิดเนี่ยต้องคิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้ ฉะนั้นมาคิดสาวตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เวลามันขึ้นไปข้างบนแล้วมันผิดพลาดอาตมาใช้สํานวนว่ากรณีที่เรารีบเร่งกันทั้งหลายนี่นะเราเดินรีบจะเข้าประตูเนี่ยมันลืมกุญแจพอลืมกุญแจก็จะเข้าให้ได้อะ่ะมันไม่ได้คุณต้องเดินลงมาใหม่ข้าใยยังมันเข้าไม่ได้หรอกอมตะมหานิพานเนี่ยแล้วมันต้องใช้ปใช้กุญแจ ร, ระดับอิมัท มันถึงจะไขแล้มันจะเข้าประตูเข้าสู่ธรณีประตูเป็นต้นได้ทีนี้มันลืมกุญแจมันต้องเดินลงมาใหม่มันจะสามสิบชั้นสี่สิบชั้นคุณก็ต้องเดินลงมาก็แปลว่าอะไรมันเดินขึ้นไม่ถึงหรอกโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเดินขึ้นไปแต่ไม่ยอมละของที่มันไม่ใช่ขยายอย่างมันต้องเดินลงมาถ้ากุญแจละสีมันไม่ดีมันขึ้นไปเพราะอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นเหตุทําให้เราขึ้นไปได้ที่เราไปเข้าใจว่ามันขึ้นได้เนี่ย เข้าใจอย่างเมื่อกีมันไปแบบทุศรีอย่างเนี้ยใช่ไหมมันมันเป็นยังไงวิปัสสนาแล้วมันขึ้นไปแบบคนทูศรีมันไม่นีมันจะต้องเดินกลับลงมาใหม่แสดงว่าต้องผิดพลาดในชั้นทูศรีแน่นอนแล้วมันเหลือแต่ทิศถีที่ความเข้าใจผิดแน่นอนก็กลับมาชําระมันยาวนานมาแล้วในชั้นของอัจฉริยในชั้นของดีกาเนี่ยนะท่านสรุปออกมาไงรู้ไหม พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ทั้งหลายที่ท่านคํานวณ น, นะท่านไม่นับเนบุคคลนะบุคคลนับไม่ไหวาไม่ไหวแต่นับนับกลับเนี่ยประมาณ84 84อสงไขยใน84อสงไขยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสมาในอดีที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าครบเหมืดเลยนอกนั้นหนึ่งเราผ่านมาไม่รู้กี่โกรธอสงไขนยนะ แต่ว่าปดสิบเียสงขายี่นี้พระเจ้าตลอดแต่จะไปแทบอยู่ช่วงไหนก็ว่าไรแต่เชื่อไหมเราหลุดขายพยานยาของพระองค์มาได้ยังไงเอาไปนั่งคิดิถ้าเราสัตว์มีบุญจริงอ่ะหลุดไม่ได้ยังไงอ่ะเอาไปนั่งคิดจะได้รู้สึกตัวว่าเราเนี่ย ใช่ไหมเราหลุดได้อ่ะเพราะไม่มีกระแสขันไหนเลยที่จะไม่ผ่านพยานของพระเจ้าพระเจ้าตรวจสอบเด็ดเสร็จทําวิจัยเด็ดเสร็จอริยสัจปรากฏเพราะพะ้องเป็นสมามาสมุทโธอะแยกแยกตรสรูตั้งแต่จกักขูจกักขูสมุทยาเป็นหมดเลยจกักขูเนืผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตเป็นต้นอาการอสองไม่มีของใครที่พระเจ้าไม่เอามาประชุมลองอริยสัจ ตาหูจมูกลิกลก้นกาใจรูปเสียงกินรสสัมผัสได้ทำอารมณ์ท่าสิบแปดสัจจะสี่อินทรีย์สองปฏิจจุบตัติไม่เคยเลยที่พระเจ้าจะไม่เห็นปฏิจจเพื่อพระเจ้านี่นะเราลดถึงกระแสขันของเราเดียเห็นปฏิจจุบัติเป็นสายเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงในครบตรวจสอบหมดแล้วแต่หลุดฉายพยานมาเลยไม่รู้ดีร้ายพระพุทธเจ้าคิดว่้กี่โกรธ เพราะอะไรเนอยอันมาใช้สับอยู่บ่อยถึงไม่กล้าพูดเพราะว่าขาโนวัตตะไอตอของวตตะใช่เราจะเป็นตอของวตตะหรืออะไรนี่ใช่หมถ้าเป็นตอของวตตะเนี่ยแปลว่ามันถอนไม่ได้ถ้าตอของวัตตะจริงๆคือกลุ่มอเหตุกาทิฐินัิกาทิฐิอคริยาทิฐิเนี่ย แล้วทิศที่ของเราเนี่ยมันถูกฟักตัวมาตลอดเวลาเลยนะยาวนานมากต้องใช้ระดับคีมระดับคีมของพระเจ้าถอนใช่ไหมแต่ไม่ยอมฟังทำเทนี้เอาไงเทนี้ยถ้าจะถอนออกจากสังสารวัตรได้ต้องใช้อดิยมัคคีมเพืออิยมัคใช่ไหมของเราก็ทิศที่เาบาเสมอเลยแล้วที่ความเห็นที่ฝันแน่นในกมลสสันดานเราท่านทัง้งหลายต้องใช้ระดับคีมเพื่ออดิยมัคถึงจะถอดออกมาได้ ถึงจะได้ถอดออกมาได้ถึงจะหลุดออกจากสังสารวัฏเนี่ยความหมุนเวียนของฐันธาตุยัตตานาถึงจะหลุดออกจากพบได้ตรงเนี้ยมาถึงหน้าตอนนี้ไม่ว่ากันแล้วแปลว่าเรามาพบแล้วคําว่าสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยเราพบแล้วแต่ถ้าพบแล้วเนี่ยนะถ้าเราตั้งสัตว์ทินตีไม่ชัดอีกแล้เราจะผ่านไปอีกทีองค์เนี่ยเข้าใจไหมหวังว่า ในโอกาสต่อไปจกไม่ได้เจอขันห้าเหล่านี้มาไปชมกันแบบนี้อีกก็จะยังหวังว่าหนึ่งในนั้นก็จะมาด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็นการประชุมของความเจ็บปวดชาติทุกชราทุกพยาธิทุกขมรณะทุกมันเป็นการประชุมนั้นความโศกความลำาไรลาพันธ์ความไม่สบายใายความไม่สบายใจความทับใ ใช่ไหะขันนั่นเป็นยึดตั้งความยึดมั่นคือรูปคื อ, คอเวทนาสัญญาสังขารมียญญาในเจ็บปวดไหมในสังสารวัฏอารทีนวะทุกโทษมันเยอะมันผ่าดงของมิจฉาทิถีกันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วไม่ได้ผ่าธรรมดาเราเสพติดกับเข้ามาเราก็กลายเป็นผู้เนินช้าใช่ไหมธรรมะที่ขยายว่าตากิตติหามะนะทิถีเนี่ยมันสุดฉุดล้างสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลามันดึงให้เราออกไม่ได้ มันดึงให้เราออกไม่ได้มันแน่นมากมันถอนอะไรไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ตอนอรรถพรมมาลตนาเนี่ยพระองค์ว่าไงพระองค์ขนขวายน้อยจักไม่แสดงธรรมเพระธรรมะที่พระองค์สแสดงเนี่ยพระองค์เห็นปฏิจจสุบาทใช่ไมพระองค์ประชุมพธิบัตญาธรรมใช่ไม มืประชุมโพธิปัจญาธรรมโพธิปัจญาธรรมไปวิจัยอวิชชาสังขารวิญญาณำ ร, รูปสลายยตนาปัสสาะเวทนาตันหาปราทานภาวะชาติฉลาดนะนะทั้งๆ ท, ที่อวิชชาตันหาเนี่ยนะขอไปอวิชชาสังขารเนี่ยเป็นอดีแตาา่อธาเป็นธรรมะที่เกิดในพบก่อนวิญญาณมรูปสลายยตนะปัสสาะเวทนาตันหาปราทานภาวชาติชาติเนี่นะตันหาปราทานภวะเนี่ยนะภวะแค่ตรงเนี้ยนะนนนะอันนี้เป็นปัจจุบันอาธาเป็นธรรมที่เกิดในพัฒพบนี้ แล้วก็ชาติชาารามณนาในเป็นอนาคตชาตะเป็นธรรมจัดเกิดในภพหน้าทั้งทั้งท่านวางหลักปฏิจจสุบาทไว้สามภพอย่างนี้นะสามการอย่างนี้นะว่าอันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาเนะยแต่จักราชในปัจจุบันนี้มาศึกษาคําสอนของท่านแล้วเชื่อท่านไหมล่ะเชื่อพระเจ้าไหมเนี่ยไม่เชื่ออีกอเอาไงปัจจุบันกันอยู่เนี่ยมองเห็นที่อย่างทั้งๆั้งที่พระพุทธเจ้าวางหลักว่าเนี่ยปฏิจจสุบาทเนี่ย สามการนะใช่ไหมเป็นพุทธพจนิเป็นสามการนะเอาวิทยะชาสังขารเป็นธรรมที่เกิดในพบก่อนเป็ต้นใช่ไหมก็าวางหลักว่านี่อันนี้เป็นอดีตนี่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอนาคตบอกนี้เป็นอารมณ์กุศลศาสนานะฐานายญาตนาธาศาสตร์จากอินทรียีปฏิจจสุปาเป็นรวมโหยสัตว์นะแล้วเวลามาสอนกันก็เอาแต่ปัจจุบันอย่างนี้ต้องคิดดูที่แล้วแล้ ว, ลวขนาดนี้แล้วต้องดูทิศที่ของสัตว์มียุคนี้ดิ ใช่ไหมฟังใครไหมเนะี่ยขนาดก็พูดได้เจ้าอย่าไปฟังแล้วจะฟังใครอ่อเข้าใจที่ยนะังน่ากลัวไหมเนี่ะที่ขี่นี่น่ากลัวไอ้ตมานี่พอฟังก็พูดเดียวมากลัวตัวตัวบอกไม่ตายแนละ้วโคตรจริงๆเนี่ก็คนขนาดไม่ฟังกูได้เจ้าแล้วเอาอสิหน้ามึดตาโัวแล้วออใช่ไหมคําว่าธรรมะส า, ามีเนี่ยรู้หมายทึกทายเจ้าของธรรม ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไปดูในจิตตาทุปัสนายังไม่ถันถึงใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเชื่อมโยงไปในอนาคตก่อนในมหาตันหาสังหิยะสูตรเนี่ยในมัชฌิมนิกายไปดูเออในมัชฌิมานิกายอ่ะท่านกล่าวบอกท่าลิทธกาพิครวที่เป็นลูกของคนฆ่าแรงมาบวชแล้วมีความเี็นสีดวิญญาณเที่ยงเน่ยแล้วท่านรู้ทั่วถึงทางของพระพุทธเจ้าพระพเจ้ารู้ก่อนโมคฆบุรุษ เธอทำไมกล่าวแย้งสถาคตอย่างนี้พราะทำที่สถาคตกล่าวไม่ได้กล่าวอย่างนี้แล้วถอนไหมเนะี่ยไม่ถอนแล้วว่าเธอมีความเห็นอย่างนี้จะประสบทุกจะเป็นบาปไม่ใช่บุญจะประสบทุกตลอดกาลนานอย่างนี้นะที่ต่อไปเนี่ยเธอเนี่ยออกจากชาติทุกชะาทุกหมดเะทุกไม่ได้ซึ่งโดยตรงคาเธอจะต้องไปนู่นแหละไปทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บ ค, เบความตายอยู่เนี่ยนะ คือัดแย้งชินจักของพระเจ้าและทุกคนตเชื่อเลยไ่ะเากลัวไหมข้อนี้ยอาคูจะสอนแบบนี้ทุกจักจะสอนไงกรช่างรู้เรื่องพระเจ้าสิเอาสิพระเจ้ก็เยี่ยมดีนะผมนี่กลัวในคนยุเนี้อาตมากลัวที่ขี่คนยุคนี้จริงๆต้องไปบอกไปที่นี่ไ่ได้ท่านเลยเชื่อปฏิบัติของโยมแล้วเอาอะไรแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องยาวไงเขามองว่าพระอย่างอาตมามีแต่บ้านปฏิบัติ เอาเลยจริง ๆ, ๆเขาไม่เข้าใจยไงว่าจริงๆแล้วกุศลศีลมันเดินยังไงในชีวิตจริงเนี่ยสมาธิปัญญาศิกขาสามการประกอบศิกขาสามที่เก็นไปในชีวิตจริงประกอบอยังไงคําว่าปฏิบัตินั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอยู่ทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้เน้นอารมณ์เขาเน้นศิกนะขาสามเนี่ยเข้าใจใช่ไหม เขาเน้นตัวสิกขาสามที่มันเดินขึ้นในกมลสันดานในจิตทุกท่านเหล่านะการปฏิบัติมันเดินอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเน้นอารมณ์มันจะเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตตรงนั้นแต่เข้ามาลองเรื่องรองเลยนะเข้าใจใไม่มเรื่องการกําหนดรอบรู้ในะอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องลองออกมาจากการที่ทําสิกขาสามให้เดินได้ก่อนนะ่ใช่ไหมเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงมันอย่างนี้เนะี่ยดยหลักคําสอนนะ เราไปดูสูตรดูคําสอนเราเชื่อมโยงในคําสอนดูเราก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้เนะี่ยอันนี้ต้องการชี้ให้เราท่านทั้งหลายด้วยว่าอะไรมันเกิดขึ้นในยุคสองพัใช่ไหมมันจะได้เออโ อ, โอ้เป็นอย่างนี้จริงจริงแล้วแล้วใครสอนแบบอาตมานี่เหนื่อยเหนื่อยมากต้องอธิบายเหตุผลต้องยกต้องคนระดับรับเหตุผลแล้วยนะ ถ้าระดับคนไม่ต้องการวิจัยอะไรต่างาๆมากเขาบอกไม่เอาหรอกใช่ไหมเอาองการแบบประเทศง่ายๆสะดวกสดวกฟังคำสองคาแล้วเข้าห้องปฏิบัติใช่ไหมใช่ไมถ้าต้องการแบบนั้น น, นแล้วใครเดินตามแบบประมานี่ยนาวประยา่ยานเลยทําไมถึงยากการจะตัดสู้ของพระเจ้ายากไหมใช่ไห ม, มแล้วสอนเท่าถ้าทำง่ายๆแล้วบรรลุง่ายๆก็ลองคิดดู เป็นมรรู้ตามใครไม่บรู้ตามใครใช่ตามพรธเจ้าหรือนะก็ลองไปนั่งคิดดูเราไปวิจัยดูเดี๋ยวคำตอบเราจะได้เองว่าอะไรเกิดขึ้นนะว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมนั่นต้องเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการก็ต้องกระตุ้นความเพียรจริงๆใช่ไหมเป็นเรื่อ ง, องการต้องกระตุ้นความเพียรฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เจ๊บอกว่าให้สังเกตต่อไปนะว่าข้อถากถาและดีกาท่านมาสรุปยังไง าการที่ภิกษุเนี่ยละ ส, สัตูบาลิอนในสูตรนี้เราเข้าใจเล้เนาะคำว่าภิกษุเนี่ยท่านกล่าวด้วยฐานะเอาไว้เป็นประธานอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งโดยภาวะการปฏิบัตินะเพราะว่าคำคำเนี้ยถ้าบอกพระราชาสเสด็จมีมาเดี๋ยวพระราชาไหมมีคนอื่นตามด้วยเยอะแยะไหมดงนั้นจะกล่าวภ<ม>ิกษุนี่ภิกษุณีกล่าวไหม เต่าด้วยที่อุบาสกบาศิกาด้วยนะงั้นแต่เราไปเจอเขามาดูก่อนพิสูจทั้งหลายโอ้ยเรารอดแล้วไม<ส>่มีเราบอกนี่พระเจ้าไม่ได้เตือนเรานี่คิดผิดก็กคิดถูกคิดผิดนะ<ส>อันนี้เข้าใจกันเนาะตรงนี้จะไม่ต้องอธิบายบ่อยดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี่เหมือนกันส่วนการรู้ของพิสูจนี้ละศัตรูบระที่ได้ดูในอัตถกถาหานาสามถอนสัตตสัญญาได้ อสัตโตูรัตตินี่คืออะไรรัทตินี่คือความเห็นก็คือวิจฉาทิฏฐินั่นแหละเห็นว่าเป็นสัต์สัตตสัญญาเห็นว่าอันนี้อะไรเปนเนี่ยสัตตสัญญานี่คืออะไรแปลว่าอะไรเนี่ยจำเนาะที่จริงเป็นอัตตาทิฏฐินะสรุปแล้วชื่อตรงนี้เป็นชื่อของสักกยทิฏฐิ สักยติจิตีความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปใช่ไหมรูปเป็นเราเราเป็นรูปแล้วก็รูปอยู่ในเราแล้วก็เราอยู่ในรูปอย่างนี้ไปต้นนะนะเวทนาสัญญาสัจนียานในยะเดียวกันก็คือความเห็นอันนี้นี่แหละความเห็นอันนี้แหละที่เป็นเชื้อเห็นการทําให้กรรมนั้นตามส่งผลได้แม่นยันนะถ้าถอนความเห็นอันนี้ไม่ได้ก็ตัดวงจรของการเกิดได้ไม่ได้ ถามว่าการถอนสัตย์สัญญาเป็นทั้งกรรมฐานเป็นทั้งสติปัฏฐานโทนะท่าละสองตัวนี้ได้เขาบอกว่าพระผู้มีภรคเจ้าขายับขึ้นไปหน่อยนะไม่ได้ตรัสหมายเวาความรู้แบบนั้นคือรู้แบบเด็กกินนมรู้อ่ะเพราะว่าความรู้เช่นนั้นย่อมไม่ถ่ายถอนสัตว์ตัวปรพิความเห็นว่าเป็นสัตว์ไม่เพิกถอนสัตตสัญญาความทั้งคันว่าเป็นสัตว์เนไม้มไม่สามารถจะถอนสัตย์สัญญา ทั้งไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานทุกกรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานภวนาด้วยไม่เป็นเวทนานุปัสนาด้วยไม่เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาจิตาและธรรมานุปัสนาจบเลยเพราะการจเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยใช้อะไรมาเป็นตัวไข้ควรใช้ตัวอะไใช้สติใช่ไหมทีนี้เวลาจะมาเดินสติ ต้องรู้จักสติสัมปชมดีไหมดีหรือไม่ดีสติเนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเอาเลยสิเอาลเอาลยสิสติเป็นวิปัสนาหรือเป็นสมถะเอ๊สติเป็นศีลได้ไห ม, มอาะนะจะจะจะไล่ให้ดูเราจะได้ยุคเข้าใจว่าจริงๆคืออะไรกันแน่เนาะเนี่ยเรามาติดขัดในใจมานานแล้วตรงเนี้ย เวลาจะอธิบายก็ต้องการคนมีพื้นหน่อยนะตอนนี้ก็พอสมบวรณแล้วเนี่ยนะเวลาเวลาบางทีธรรมะใจร้อนนะเวลาอธิบายเนี่ยเมื่อไหร่เราจะอยากกระจายคําสอนในใจเนาะให้กว้างขวางสักทีเขาจะยังก็ตอนนี้เราหาบุงคนรองรับในใจอเลยนะไอ้กว่าจะพูพื้นฐานมาเพื่อที่กระจายความรู้สึกออกไปเนี่ยนะ ในพระธรรมของกุฎเจ้าออกไปนี่นะพ่อเจไปช่วยเดนชิดนี่นะอาตมายกในหนึ่งตัวอย่างในชะ่มสี่ห้าตัวอย่างเราทั้งหลายช่วยกันอาตมาต้องการอย่างนะี้เป็นจุดเทียนเล็กๆเนี่ยส่องเข้าไปในใจท่านทั้งหลายแค่นั้นนะแล้วนอกนั้นทํานเป็นจุดต่อกันเองนะยิ่งต้องการอย่างนะี้พระธรรมาความสา ม, มารถน้อยบททีที่ไม่ไปกล่าวพระธรรมตามที่ต่างๆต้องการหาคนความสามารถต่อทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะบอกเวลาพิจารณาช่วยหาพาช่วยหน่อยเะ เอาพ่อเ่งๆเลยที่เก่งกว่าจะมาที่ยังหนุ่มยังแน่นว่าจะมาใกล้ตายแล้วใช่หมอยู่ไม่นานแล้วม่ดูแลเดี๋ยวเีกรูปการแล้วก็เลยบอกเออใช่อยากให้พระธรรมของพระเจ้ากระจาสิ่งที่ถูกต้องนะอยากให้สิ่งที่ถูกต้องในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยกระจายต้องขออนยังไม่ไม่ได้เดี๋ยวขอขอไปอนต้องขอไปสอนเด่๋นี้ปัญหาคือบอกไปนี่นะสติเนี่ย ถ้าเราไปมองกันให้ชัดก็คือว่าศรัทธาวิริยาสติสมาธิเป็นองค์ของอินทรีห้านะศรัทธาเป็นประธานของปฏิโมบสังวรสีสติเป็นประธานของอินทรีย ส, สังวรสีเห็นไหมวิริยาเป็นประธานของอาชีวปริสุทธิศีน์ปัญญาเป็นประธานของอปัจจยสัญญิตาสีสรุปแล้วเหลืออะไรเนี่ยศรัทธาวิริยาสติสมาธิเลื้อสมาธิเชื่อว่เก่าแล้ว ก็สมาธิก็ไปโฟตนอยู่ในสีนั่นแหละสรุปแล้วก็คือตัวอินซีห้าเป็นศีนก็ได้เป็นศีนก็ได้เป็นสมาธิก็ได้เป็นปัญญาก็ได้เนี่นะะนี่จะชี้ให้ดูว่าอื่นเป็นยังไงอยู่ตรงว่าสติปารลบอะไรถ้าปารลบในการที่จะสนับสนุนปาริมโมกเห็นไหมก็เป็นตัว เป็นอนุกูลตามปฏิโมกขทั้งวรสิแต่ถ้าหากไปเกิดขึ้นในทางทวารทั้ง6กคือจากภูทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารก า, ายยะทวารและมโนทวาร น, นะถ้าเขาไปเป็นประธานเลยใช่ไหมในการที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแม่ทัพเลยยกกองทัพออกไปปิดด่านหกด่านหก <6, 6 S 2> ด่านเลยนะไม่ให้อรีราหรือฆ่าศัตรูทั้งหลายเข้ามาในเมือง อันนี้เขาเป็นอินเดียสังวรศีเขาการอะไรอภิชาและพยาบาทไม่ให้ไหลร่วมทับเข้าสู่กระแสจิตมองเห็นไหมล่ะเออันนี้ก็เป็นอะไรเป็นอินทรีย์สังวรศีไหมเขาจะปิดบาปนี่เป็นสีไหมตัวอินทรีย์สังวรศีเขาเป็นล้อมอะไรทีปาิโมกสังวรศีปฏิโมกสังวรสีเหมือนเมืองนะเหมือนพระราชวังเนอะใช่ไหมเหมือนพระราชวังเลย ส่วนอินเดียสังวรศีนะีะเหมือนกับรอบเมืองชายแดนรอบนอกเนาะในรอบนอกเนี่ยมีกองทหารติดด่านหกด่านเนี่ยนะทางตวานตาหูจมกูกเล่นใจใจถ้าทางตาหูจมกูกเล่นายใจพังเนลยนะปาริโมกสังวรศีอยู่รอดไหยเห็นไหมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อฉะนั้นตรงเนี้ยสติเนี่ยมาปารากุศลศี เพื่อคูณปฏิโมกสังวรศีนอินเดียสังวรศีลเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดกสุจริสามถึงไหมเพื่อเป็นปรรทัดฐานแก่สุจริสามแท้เลยนั้นสุจริสามจะบริบูรณ์จากบริสุทธิ์ได้โอ้โหปฏิโมกสังวรศีนันี้ทีนี้เราใช้เขาเสียหายหมดเลยนเคยสังเกตุไหมว่าเราใช้สติแต่เราไม่เคยให้อาหารของสติเราใช้ศรัทธาแต่เราไม่เคยให้อาหารของศรัทธาใช่ไหม เมื่อกี้นายรู้ประกายพอมันต้องการอาหารหน่อยเลยรีบยกไปแล้วท่านอาจารายา์ถึงเวลาแล้วก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมถึงเวลาเราบอกได้เลยใช่ไหมจะบอกเอ๊ะตอนนี้เราสติได้รับอาหารยังไงตรงเนี้ยนะก็ไปไขควรต้องเรื่องเรื่องยาวเลยนะอาหารของสติอาหารของศรัทธาอ า, ห า, อาหารของวิริยะอาหารของสมาธิอาหารของปัญญานี่นะหรือปัจจัยของเขาที่จะทําให้เขาแข็งแรงเนี่ยอาจารย์แล้วปรเสริฐก็สติกรร่วมกับได้ ก็ตรงนี้กําลังมองที่เห็นว่านี่ไงสติพาเป็นศีลได้ยังสติเป็นศีลได้ทีนี้พอมาถึงในด้านของการระลึกเอาพุทธานุสติเอาพุท ธ, ธานุสติก่อนเลยนะเพราะเราจะศึกษาติปทานสูตรแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้าสมมติเราจะเอากรรมฐานของพระเจ้าไปบริหารแล้วก็เข้าห้องอุเทสิกาเจดีคือพุทธโลกทีมั้ย เสมอเหมือนหนึ่งพระเจ้าประทับนั่งต้นที่เป็นพระรูปของพระเจ้าที่ผู้มีจิตสภาบรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าพระผู้เจ้ามีพระรูปเช่นนี้เป็นต้นเราก็น้อมถึงพระรูปพระวรากายของพระเจ้าที่ประดับไปด้วยมหาปุริสรักณะสามจุดสองประการและอนุพยญชนะแปดสิบแปลว่าคนที่จะมองพบเจริญพุทานัสติได้นั่นแปลว่าคนคนนั้นเขามีข้อมูลในรักณะสูตรในทีน่นิกายเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ ก็มีข้อมูลดึงนั้นดีแล้วก็มองพวกบเขาเข้าใจอะ่ะเหมือนพวกเรียนคณิตศาสตร์อะ่ะเข้าใจเยอะเรื่องตัวเลขเนี่ไม่ต้องพูดลนะพอยกตัวเลขขึ้นมาเข้าใจเลยไม่ต้องอธิบายเลยเนี่ยนี่เหมือนกันเราเห็นเห็นพระพุทธรูปเนี่เห็นพุ๊บเข้าใจนะเห็นเห็นลักษณะของท่านสามสองประการปรากฏเด่ในในใจไหยเห็นอนุพยายัญชนะแปดสิบประดับงามมาก และไม่ใช่ติดจากแค่โลภะแค่นั้นเองน้อมถึงกรรมกรสตตายานที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างนี้ชัดถ้าชัดพุทธคุณรูปประกายได้ เ, อ, เอาดูเจริญในรูปประกายแล้วสามารถเจริญพุทธคุณได้หรอไถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ฟังมือหมดอันนี้ก็แปลว่าข้อมูลตรงนี้ยังไม่พอใช่ได้แค่ไหนก็ข้อมูลตรงนั้นก็เจริญพุทธาลัตถีพุทโนได้ เอาทางด้าน ร, รูประการไม่ได้และธรรมานุสิต์เออ mm hmm. คุณธรรมของท่านที่ท่านทํามาใครควรมาที่ยี่สิบวสัขัยที่จําไม่ได้สักตอนเลยที่จะเกื้อกูลสัตว์ตินีอ่ะพอได้ไหมพอจะนึกได้ไหมหรือแม้กระทั่งเข้าใจจนถึงว่าสภาวะที่เป็นพุท ธ, ธะอรหัตมรักอรหัตผลแล้วต่อมาได้เลยพอหลังจากอรหัตมรักอรหัตผลดบับตามไปได้วยล่ื อาสาธานายานหกชัดไหมอาศยามนิสย า, ยานพยานที่เข้าไปรู้อัธยาศัยและนิสัยของสัตว์อินเดียปรโปรปียติยานรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ใช่ไหมมหากรุณาธมาปัติยานที่มีพระมหากรุณาที่คุณกับพวกเรายามากถาปฏิหลายายานพยานในการแสดงยามากถาปฏิหารที่วิจิตรมากกว่าบุคคลอื่นชัดไหมใช่ไหมอานาวรณ า, ายานพยานที่ทะลุทะลวงไม่มีอะไรขัดขวางได้ แล้วก็สัพพนยุตยานพยานที่แทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งปวงหมดนี่คือแร้วเห็นคุณั้มพุทธยานสิบสี่เวนิกรธรรม18แปดเวสารัชยานสี่แล้วก็ทศพุทธยาน 4, สิบเซนต้นเนี่ถ้ามันบุก ค, คุณมาในใจได้ดีนียอันนี้แปลว่าเห็นไหมเห็นพุทธคุณนะเห็นพุทธคุณ ถ้าเห็นตรงนี้เบ็ดเสร็จก็เข้าไปขอกรรมฐานใช่ไหมเข้าไปก็ข้าพเจ้าขอว่ไงอริยทรัพย์ของพุทธเจ้าใช่ไหมอริยทรัพย์ก็คือสติปัฏฐานเนี่ยนี่แหละข้าพเจ้าจะเอาบทเวทนานทุกบทสนา น, นี่แหละกำลังเรียนอยู่นี่แหละของพระบรมศาสดาที่เราไปบริหารเหมือนลูกไปขอทรัพย์จากแม่จากพ่อมาลงทุนเข้าใจยังเหมือนขอทรัพย์ภายนอกเอาไปลงทุนนี่เราก็ขออริยทรัพย์มาบริหารอามาลงทุน แล้วก็ไปขอไปเสร็จเอามาบริหารเจ๊งไปกี่รอบแล้วเลยกี่รอบแล้วเคยเจ๊งไหมเอามาบริเสร็จเอ้าตายแล้วบริหารไปบริหารมาหายเพี้ยเหมือนก็ไปขอใหม่เราขอที่เอาไปอากาศพุ่นหายมันหายเร็วถ้าเราสนนิดเ่ียวทำนึกรู้พรคุณดิใช่ไหมอันนี้เป็นของพ่อนะ กว่าที่พ่อจะหาอาเรียซับนี่มาได้ชจริงไหมกว่าที่จะหามาได้ยี่สิบประสงขายยิ่งด้วยแสนมหากรับจริงไหมทำไมเราทําเล่นๆห น, นึ่ง น, นี่มันจะคิดอีก ม, มุมหนึ่งเลยนะเออไม่ได้แล้วไปรับก็รับไปเออโบราณเขาวางแผนดีจริงๆนะที่เขาไปขอกรรมฐานโอ้โหไปดูในวิสุทธิมาร์ทีเวลาจะไปขอกรรมฐานี่าคุ้มบาอาจารย์เปต้นจากจากพระเถราะเปต้น โอ้ยใช่ไหมไม่ใช่เครื่องง่ายๆเลยตมาศึกษาตอนสมัยไอ้สั้งขยานาทั้งที่สอง่ะเวลาจะเข้าไปหาอาจารย์นี่นะเขจะฝากตัวเป็นศิษย์แค่นั้นเราเป็นเรื่องยากมากเข้าไปเบ็ดเสร็จเนี่ยจะทําไม้ทำละฟันไม้อะไรต่างๆเราเนี่ยนะเอาไปวางเอาไว้ทำอน่าง เ, เราทิ้งไปแล้วเนี่ยนะโอ้ยต้องคอยดูจังหวะจะเข้าตอนไหนอย่างไรเนี่ยนะอุ่ยากมากยุกเยอะ ถีาหากแค่ไหนใครเอาเป็นสิทธิ์เข้าไปย่อมต้องต้องอนุโมทนากับอาจารย์ในลักษาอายศาสตร์ของคุณที้ทีนี้ที่นี้ถ้าหากว่าพิจารณานี้ก็ไปไปรับใช่ไหมเพอรับมาอย่างนี้แต่ว่าเขารับแบบความภูมิใจและชื่นใจถ้าสมมติว่ามันเป็นสมบัติชิ้นโบแดงของพ่อแม่แล้วกว่าพ่อแม่บอกลูกเลยกว่าที่กว่าที่พ่อจะหามาได้ดีนะ ยี่สิบประสงค์ขายยี่ด้วยแสนกับยิ่งสิบแสนมหากรับต้องบม่มเพาะบารมีสิบอุปปารมีสิปบปรมัธรมบารมีสิบทุนทุกทรมานสลาอัตภ า, าพนับไม่ถ้วนเนื้อที่สลาทิ้งไปยังมากกว่าภูเขาสิเรรุ่มากกว่าแผ่นดินแผ่นดินดนี้เลือดที่สลากจะกลายพ่อได้กว่าจะได้อะยทรัพย์มานี้นะมากกว่าน้ําในมหาสมุทร ดวงตาที่วควักให้เป็นฐานนี่เนะี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถามบอกว่าพิจารณาเนี่ยทรัพย์ ก, ก่อนจะได้มาเธอสมควรจะดูแลดีหรือไม่ดีว่าไงพ่อแรกชีวิตมาหลายล้านอัตราภาพก่อจะได้อริยทรัพย์เนี้ยนะแล้วเธอเป็น ล, กลูกเนี่ยจะดูแลทรัพย์ของพ่อยังไงอ๋อะจะดูแลยังไงจะบริหารยังไงว่ามาเล่น ได้ไหมเนี่ยความรู้สึกต้องชัดใช่ไหมถ้าความรู้สึกตรงนี้ไม่ถึงไม่ชัดเนี่ยก็ไม่คู่ควรเข้าใจใช่ไหมมองออกไหมตรงเนี้ยั้นถ้าหากว่าไปปุ๊บอย่ารับรับรับทรัพย์มาแล้วต้องดูเลยเพราะทรัพย์เหล่านี้เมื่อเอาไปบริหารไปจัดการไปทำให้งอกเงยให้มีดอกมีผลออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเธอจะพ้นจากชาติทิศ ชร า, าทุกพยาธิทุกหมดเลยนะคือพ้นจากความโศกความน่าอึดอแล้วมันคุ้มคุ้มแสงคุ้มใช่ไหมใช่ไหมเ <c oughs> พ, พ, พมราะเจอพราเพราะถึไม่ต้องลงแรงเนี่ยไม่ต้องลงแรงมากน่ะคนที่ลงแรงมากคือพระเจ้ทาท่านเป็นธรรมาสามีเป็นเจ้าของธรรมใช่ไหมถ้าเราเข้าใจอย่างฮิวเซียเนี่ยโอ้โตอเนี้ยมันสบายใจแล้วไม่มีอะไรก็ขวางแล้วใช่ไหม นะถ้าเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ เ, เสร็จนะถ้าเข้าใจแบบที่อาจมาเล่าไปนี่นะโอ้ะนนี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วแล้วอะไรคือยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ชีวิตอะไรเอาเราจะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระธรรมก็เจ้ายิ่งใหญ่าหญหญการเป็นส่วนหนึ่งส่วนได้ในสังในในรัตนานุความยิ่งใหญ่มากตอนนี้เรายึดเชื่อไม่ติดนะอนาารย์พยายามวุ้ยอาจามาทำทาที่อะไรเชื่อมพวกท่านทั้งหลายให้เป็นให้เป็นรัตน์าให้ได้ให้ติดนะให้เชื่อไม่ติด เ่าภูมใจตรงนั้นเละถ้าต่อติดกับผู้ได้เจ้าไปเลยก็หมดหม ด, หมดท่าออกมาใช่ไหมออกมาก็ตมองเเกี่ยวข้องกับเป็นจิตผู้เจ้าทําต้องการเชื่อมโยมให้ติดให้ได้เมื่อติดผู้เมื่อเมื่อผู้ได้เจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องฟังใครไว้ฟังผู้ได้เจ้าอย่างเดียวใช่ไหมฟังจากท่านพุทธายที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นของผู้ได้เจ้าไหมถ้าเป็นก็รับก็ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจใช่ไหมมากมายเลยนะว่าเออผู้ไเจ้ากล่าวไว้หรืไก็แค่ตรงนี้นก็จบแล้วใช่ไม่ใช่ นี่ไงความตั้งใจการท่านอาจารย์นะที่มรดกนี้สังเก็บไว้ดีนะครับเราจะได้ย้ำๆและลืนยันตลอดตลอดจะได้ได้ได้ฟังหลายๆรอบเสมอก็คือตรงนี้นี่แหละเราจะได้เป็นจุดในการที่ว่าตั้งอธิยาศัยครับพอตั้งทางนั้นมันไม่ชัดหรอกมันก็จะเนี้ยไปมาไปมาใหม่เงี้ยเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยนี่เงี้ยเวลาไปรับเวทนานรือปัสนาสีประฐานหรือจิตตานุปัสนาหรือธรรมะนุปัสนาสีประฐานมา เพราะได้มาเบ็ดเสร็่ก็เป็บริหารจากกัดการพระนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมเพราะเวลาบริหารจะทั้งความสํานึกในความเป็นเอาสมบัติของพระพุทธเจ้ามาบริหารความสํานึกในพุทธคุณก็กระตุน้นแล้วจะมีไม่เวลาไหนที่พระเจ้าไม่เสื่อนไม่ดีเลยท่านพระพุทธเจ้านะั้นถึงบอกว่าพระเจ้าจะอยู่ใกล้บุคคลที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาใช่ไหม ผู้ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําในธรรมผู ils, ้เห็นธรรมของพระเจ้าปฏิบัติชอบและไม่ปฏิบัติผิดพระเจ้าจะอยู่ใกล้กับบุคคลเช่นนี้แต่พระเจ้าจะไม่อยู่จะอยู่ไกลกับบุคคลที่ไม่อโบลมกายนะไม่อบรมเสียไม่อบรมจิตไม่อโอบลมปัญญาเนะบุคคลที่ไม่ฉลาดในธรรมของพริยะไม่รับการแนะนําในธรรมของพระเจ้าเนี่ยไม่เห็นธรรมของพริยะและปฏิบัติผิดคุณปฏิบัติผิดพระเจ้าจะอยู่ห่างไกลแสนไกลจากบุคคลเหล่านั้นไกลแสนไกลเลยนะ ฉะนั้นก็มาพิจารณาที้เราจะได้เห็นว่าอ้อพระบรมศาสดาจะอยู่ใกล้เราหรือไกลเราจะอยู่ที่ข้อวัดด้วยอยู่ที่การขัดเกลาตัวเราด้วยใช่ไหมว่าเราจะน้อมกายกรรมวิจีกรร ม, มนโนกรรมให้เป็นสุจ ร, ริตสามจะได้อยู่ใกล้ทิดพระพุทธเจ้าไหมฉะนั้นถ้าหาเราอยู่ใกล้ทิดพระเจ้าพระธรรมคุริเจ้าใช่ไหมคุริเจ้าจะคอยบอกตลอดเลยจะคอยบอกตลอดเวลาเมื่อคือเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกบอกว่า ศาสดานะบอกว่าพระธรรมวินัยเนี่ยจะทํากิจศาสดาหลังการร่วมไปเองเราแล้วก็ลองไปนั่งหลับตาคนเดียวดูดิตอนนี้พระศาสดายังประิทิ์บอกเราได้ไหมถ้ายังไม่ได้แปลว่าเรายังเชื่อมไม่ติดนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราเชื่อมติดเมื่อไรได้พุ๊บพระธรรมของพระเจ้าก็จะทูเต็มไปหมดใช่ไหมในห้องมาไทยของเราเนี่เต็มไปหมดพุทธคุณเต็มเปลี่ยนในใจนะ ปริมาณเม็ดใจของเรามากน้อยเพียงไรเลยที่อุกมาว่าเม็ดผักกาดก็จะเท่านั้นแหละท้องมเมล็ดผักกาดหรือท้องมเมล็ดถั่วเขียวร่วมเมล็ดมะม่วงหรือว่าท้องอะไรใช่ไหมไหหมอ้อหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของตุ่มน้ําทั้งหลายเนะี่ยมันแล้วแต่ปัญญาของเราที่จะรองรับพุทธคุณของพระเจ้าได้มากน้อยเพียงไแต่ขอให้ได้สักนิดนะ่ะมันบริหารแล้วมันขยายได้ขยายได้พอใจใช่ไหม เมื่อขยายได้ไเบียเศได้ในสุดจริงๆนั่นแหละสัตว์ทิ้งซีน่าจะเป็นที่ตั้งทําให้เรานั้นตั้งมั่นในคุณธรรมทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้นี่แหละทีงบอกว่าท่านจึงบอกในบอกพระผู้มีพระเจ้าตรัสหมายว่าการสเสวยในี่ยนะจะบอกว่าท้ารัตตูประิี่ละสัตย์ะ ส, ะตสัญญาเนี่ยเป็นทั้งกรรมาฐานเป็นทั้งสติปัฏฐานภาวานาะที่นายถามว่านี่ท่านก็บอกอธิษ ถ, ถาบอกพระเจ้าตรัสหมายว่าการสเสวยอารมณ์นี้นะ การเสวยโดยการรู้พั่วอย่างนี้ว่าใครเสวยที่ฉันตั้งประเด็นถามในเวทนานุกศาสนานะใครเสวยการเสวยของใครเพราะเหตุอะไรจรึงเสวยเอาเลยสิเพอสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาก็จะสวยอารมณ์ใช่ไหมถ้าถามบอกว่าใครเสวย